ช่วงนี้ที่วัดก็มีงานหนึ่งจัดก็ซ้อนๆกับของพวกเรานะอันนั้นเขาเน้นเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพกายส่วนพวกเราเราก็เน้นเรื่องสุขภาพใจแต่ว่าที่จริงก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะหรือว่าไม่ได้ไปคนละทาง ต้องเรียกว่าเสริมกันได้ซ้ำนะเพราะว่าถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีก็ทำให้สุขภาพกายดีขึ้นไปด้วยและในขณะเดียวกันนะถ้าหากว่าการที่คนเราเนี่ยจะมีสุขภาพกายดีได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัย สุขภาพใจเข้าไปเสริมเรื่องกายกับใจนี่มันแยกจากกันไม่ออกนะถ้าหากว่าเรามีสุขภาพใจที่ดีโดยเฉพาะเรามาฝึกสติกันมันจะช่วยลดปัญหาหนึ่งที่เกิดซึ่งเกิดขึ้นกับคนเป็นจำนวนมากนะ ก็คือความเครียดวความเครียดนี่เป็นโรคที่ประจําศตวรรษก็ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นทั่วไปไม่ใช่แต่เฉพาะคนในเมืองนะชาวบ้านก็เป็นกันเยอะเครียดเรื่องอะไรก็เครียดเรื่องหนี้สินนะเครียดเรื่องที่มีที่ไม่พอกาลังจะสูญเสียที่ไปอันนี้ก็เป็นปัญหา จะรวมถึงเครียดเรื่องลูกเรื่องหลานแลวความเครียดตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยแลวความเจ็บป่วยหลายโรคทีเดียวนะมันก็เกิดจากความเครียดนี่แหละถ้ามีคนเขาศึกษาเรื่องอิทธิพล หรือความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับโรคภัยไข้เจ็บที่น่าสนใจเขาพบว่าคนที่เครียดมากๆหรือว่าจัดการกับความเครียดไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้มีโอกาสตายหรือเป็นปัจจัยเสี่ยงมากกว่าการสูบบุหรี่ได้ซ้ำการสูบบุหรี่เราก็ทราบดีแล้วว่ามันเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บจนวนมากแต่ว่าความเครียดนี้อาจจะสร้างปัญหายิ่งกว่าการสูบบุหรี่ซะอีกอพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่เครียรก็สูบบุหรี่เข้าไว้จะได้หายเครียดอันนี้ถ้าใครคิดแบบนี้ก็โดนกิเลสมันหลอกแล้วล่ะนะ เพรเดี๋ยวนี้ก็มีคนจำนวนมากที่อ้างว่าสูบบุหรี่เพื่อจะคลายเครียดนะยิ่งมารู้ว่าโอ้ความเครียดนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายยิ่งกว่าการสูบบุหรี่ก็ยิ่งมีข้ออ้างให้สูบบุหรี่มากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อตัวเองนะคนเราสามารถที่จะบรรเทาความเครียดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาบุหรี่แต่มันก็น่าคิดนะว่าไอ้ความเครียดนี่มัน ในระยะยาวแล้วเป็นอันตรายนะกว่าการสูบบุหรี่นะเพราะว่ามันทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายมีคนก็บอกว่าเนี่ยอันนี้ก็ก็หมอเองนะเขาศึกษาว่าคนที่เครียดมากๆนี่นะมีโอกาสจะมีโอกาสจะตายมากกว่าคนที่ไม่เครียดนี่ถึงสองเท่าอันนี้เขาเน้นเรื่องความเจ็บป่วยนะ เขาศึกษามาเป็นเวลาสิบปีก็พบว่าเนี่ยถ้าเครียดหรือควบคุมความเครียดไม่ได้คือเครียดนี่ก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าอยู่ที่การควบคุมหรือว่าการจัดการเครียดไม่เป็นปัญหานะถ้าเราจัดการเป็นอย่างพวกเราเนี่ยเครียดมันก็ก็ดีเหมือนกันถ้าเราเครียดแล้วก็ดูดูใจที่เครียดมันนี้ความเครียดทําอะไรเราไม่ได้ปัญหาคือว่าเครียดแล้วจัดการความเครียดไม่เป็นนะก็ ยิ่งหมักหมมสักสะ ส, ะสมอารมณ์มันก็ทำให้เจ็บป่วยสารพัดโรคนะโรคหัวใจโรคความดันโรคมะเร็งนะโรคเกี่ยวกับสมองหลอดเลือดสมองนะก็ทำให้เกิดเสเลล์ในสมองแตกได้สารพัดนะโรคและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บถึงตายในความเครียดเนี่ยบางทีมันตายเร็วกว่า น, นั้นเมื่อวานนี้ก็ตมา ก, ก็ไปธุร์ที่ไปพูหลงสักสองทุ่มก็มีคนโทรมาร้องห่มร้องไห้บอกว่าขอให้ช่วยพูดกับสา ม, มีเขาหน่อยสา ม, มีเขากำลังจะตายถามว่าเป็นอะไรเหรอบอกยิงตัวเอง ยิงตัวเองแต่ไม่ตายกําลังจะตายนะก็ เ, เรียกว่าผ ง, งาบผ ง, งาบแล้วก็มีคนแนะนําให้ให้เข้ามาติดต่อ ต, อตอมาเพื่อจะนําทางนําทางคนใกล้ตายเดี๋ยวนี้เจอแบบนี้เยอะมากคือไม่รู้จักใครไม่รู้วันทีก็ไม่รู้ไม่รู้จักคนที่เขาติดต่อมาแต่เขาบอกว่าขอให้ช่วยหน่อยคนรักของเขากําลังจะตายเดี๋ยวนี้ก็ก็นําทาง โดยใช้โทรศัพท์เนี่ยนะมันก็ทันทันมากเขาคนที่ยิงตัวตายนึกอายุไม่มากนะอายุแค่สาสิบห้าแล้วก็ซักไปซ่องมันก็พบว่าเขาเป็นนักเขียนก็ตอนนั้นไม่รู้ว่า เ, าเป็นนักเขียนมีชื่ อ, อยังไงบ้างา เ, มเมื่อเช้าก็ไปเช็คทาง Google ก็พบว่าเขาก็เป็นนักเขียนที่มีชื่อคือว่ากําลังมาแรงนะในช่วงสองปีนี่เขา เขาเขียนเรื่องสั้นประมาณคงหลายชิ้นนะแต่ว่าสิบห้าชิ้นที่เขาเขียนนี่มันได้รางวัลในช่วงปี4 8่แปกาก็หาไม่ง่ายนะคนที่เขียนเรื่องสั้นได้รางวัลเยอะนะภายในช่วงเวลาสองปีงานเกือบ20ชิ้นได้รางวัลบางทียังต่ำๆก็รางวัลชมเชยล้าก็เรียกว่าเป็นนักเขียนที่มาแรง แต่ก็สังเกตว่าหลังจากปีสีก้าแล้วเขาก็ไม่มีงานเขียนออกมาอีกเลยที่ได้รางวัลหรืออาจจะไม่เขียนออกมาได้ซ้ําก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเขาเครียดเลยเขียนไม่ออกหรือเป็นเพราะว่าเขียนไม่ออกก็เลยเครียดสุดท้ายเขาก็ยิงตัวตายนะก็ก็ยังดีที่เขาอุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์นะตอนที่กําลังคุย นำทางเขาก็กำลังจะเตรียมตัวไปที่จะไปผ่าตัดอวัยวะไปช่วยคนที่ยังต้องการอาวัยวะของเขาอยู่อันนี้ก็เห็นได้ว่าความเครียด น, นี่มันอันตรายมากนะคือในแงน่นึงก็อันตรายกว่าการสูบบุหรี่เพราะว่าสามารถจะทําให้คนเนี่ยตายได้อย่างกะทันหันมาก บุหลีนี่อาจใช้เวลายี่สิบสาิปีนะกว่าจะตายเพราะโรคมะเร็งหรือว่าโรคปอดนะแต่ว่าถ้าเครียดเครียดมากๆนี่ก็ก็ตายด้วยน้ำมือของตัวเองคื อ, อาคาตัวตายอันะนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวนี้เป็นปัญหามากนะนั้นเราจะปฏิเสธหรือว่าเราจะดูแคลเรื่องความเครียดไม่ได้ ความเครียดนี่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายมากหมอเมื่อเร็วๆนี้หมอที่เขาทาหมอไทยนะเขาทําวิจัยเขาเกี่ยวกับเรื่องการให้ยาของโรงพยาบาลของรัฐไม่ว่าโรงพยาบาลอําเภอรหรือโรงพยาบาลจังหวัดนะก็พบว่าหนึ่งในสี่หรือยี่ส้าเปอร์เซ็นต์ของยาที่ให้เนี่ยใบสั่งยาเนี่ยนะมันเป็นยาที่เกี่ยวเรื่อง ลดความเครียดนะหรือว่าลดความเครียดเช่นยานอนหลับหรือว่าย า, าลดความยาระงับประสาทนะเดี๋ยวนี้ยา ล, ล, ล, ลดลดความเครียดนี่มันมาหลายลักษณะด้วยกันยี่สอรนต์ใช่นะของใบใบสั่งยาที่ให้เนี่ยของทางประเทศเลยเคยถามหมอที่ชัยภูมิก็คําตอบคล้ายกันนะ คนไทยเดี๋ยนี้เราเครียดมากพอเครียดลําก็เลยทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาและที่จริงแล้วเนี่ยคนที่เดือดร้อนนี่ไม่ใช่มีแต่เจ้าตัวเท่านั้นนะคนที่อยู่รอบคลางรอบรอบข้างนี่ก็ก็เครียดไปด้วยเช่นถ้าคนในบ้านเครียดจะเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกก็พลอยเครียดไปด้วยหรือว่าถ้าสามีเครียดภรรยา ก็พลอยเครียดไปด้วยมันเป็นโรคระบาดน ะ, ะพวกพวกนี้มันเป็นโรคระบาดมันติดต่อถึงกันได้นะความเครียดความโกรธก็เหมือนกันแม้แต่ความเหงาเนี่ยก็ทาก็ระบาดนะระบายมันกระจายไปถึงคนอื่นได้เหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้ก็อ่านงานของเมืองเมืองหนึ่งก็มีการวิจัยเขาทากันมาสมสิบสี่สิบปีแล้ว เป็นการวิจัยหลายแง่หลายมุมมากของเมืองเมืองหนึ่ในสหรัฐอเมริกาข้อมูลเขาเยอะมากนะเพราะว่าเขาทำกันมา30 40, 40ปีแล้วเ็าก็ได้ข้อสรุปอันหนึ่งว่าความเงาเนี่ยมันถ่ายทอดกันได้แล้วเขาก็พบสถิติที่มันน่าสนใจว่าอย่างเช่นว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่เงาเนี่ย ในขอซึ่งเป็นเพื่อนในคอเนี่ยมีโอกาสที่จะเหงา50เอร์เซนส่วนในคอซึ่งเป็นเพื่อนในขอเนี่ยหรือนางขอ ก, ก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะเหงา25เปอร์เซนคือความเหงามันจะระบายเหมือนมันจะกระจายเหมือนกับเราลอกคลื่นนะขออธิบายอย่างนี้ว่าเวลาคนคนเหงาเช่นในคอนี่เหงาเนี่ย เขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีและเขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครหรือว่าเวลาสูงสิงพูดคุยกับใครเขาก็จะไม่ทำตัวไม่น่ารักนะซึ่งทำให้ขอเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกอเนี่ยก็ไม่อยากจะอยู่ใกล้ขอก็จะค่อยๆตีห่างออกไปเพราะว่า อยู่กับกออยู่ใกล้ๆ ก, กอแล้วไม่ค่อยมีความสุขเพื่อนก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยใจยหรือบางทีก็มีอารมณ์ใสอันนี้ขอเนี่ยพอเจออารมณ์ที่ไม่ดีของกอเนี่ยขอก็ซึมซับรับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีของกอไปด้วยแล้วก็ไปไ ป, ไประบายใส่หรือไปปฏิบัติไม่ดีกับคอซึ่งเป็นเพื่อนขอคนะอก็เลยไม่อยากอยู่ใกล้ขอ ก, ก็ตีชิ่งค่อยๆห่างออกไปก็ทําให้ขอเนี่ยเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมานเริ่มต้นจากกอซึ่งเหงาต่อมาขอก็เริ่มเหงาแต่เหงาเพราะว่าคอเนี่ยเขาค่อยๆเหินทางจากคออันนี้มันเขาก็เขาก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะซึ่งมันมันชี้ให้เห็นเลยว่าอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่กับเจ้าตัวเท่านั้นนะ มันระบายออกมามันกระจายออกไปสู่คนที่อยู่ข้างเคียงจะเป็นเพื่อนจะเป็นลูกจะเป็นาสามีภรรยาก็แล้วแต่แล้วก็ระบายออไปสู่เช่นคนที่เป็นสามีก็ระบายใส่ภรรยาภรรยาก็ระบายใส่ลูกลูกก็ระบายใส่เพื่อนอันนี้มันมันมีจริงนะแล้วคนที่ไปสามีที่ก้าวเล้าใส่ใส่ ใส่แม่เนี่ยใส่ภรรยาเนี่ยภรรยาก็ก้าวร้าวใส่ใส่ลูกลูกก็ไปโรงเรียนก็ทะเลาะต่อยตีกับเพื่อนอันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ที่ที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยนะก็มีความเครียดสูงมากนะอันนี้ก็ผสมกับโรคอื่นๆด้วยนะ เขาว่าคนไทยเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่อายุสิ้าปีขึ้นไปเนี่ยมีปัญหาด้านจิตใจหรือจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคจิตนะแต่ว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิตเนี่ยประมาณประมาณ5ล้านคนหรือประมาณก็ส่วนประมาณอ่ายเอร์เซหรือ 15- บหถึงยีของคนที่อายุสิปีขึ้นไปเนี่ยมีปัญหาด้านจิตใจนะก็ไม่น้อยนะ แล้วก็แล้วลองนึกดูว่าลูกๆของคนเหล่านี้นี่จะจะเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ใช่มีแต่ความเครียดอย่างเดียวนะมันก็มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยเช่นเรื่องความกโกรธนะอันนี้ก็มีตอนนี้ก็อ่านความบูเรื่องธํานอง น, นี่ก็เพราะว่าคนที่กโกรธเนี่ยหรือว่าควบคุมความกโกรธไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่ค่อยกโกรธเนี่ย นะถึงสองเท่านะโรคหัวใจหรือเพราโรคหัวใจขาดเลือดนะสมัยก่อนนี่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้นะว่าเรื่องจิตใจเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับสุขภาพร่างกายแต่ว่าในช่วงสี่0ิ้าสิบปีนี้เขาก็ยอมรับกันแล้วจริงชาวพุทธหรือว่าคนไทยแล้วก็รู้กันมานานแล้วว่าเรื่องจิตใจกับร่างกายหรือสุขภาพนี่มันมันเกี่ยวข้องกันมากแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเชื่อ จกระทา่งเข้ามาศึกษาแล้วก็พบว่า้มันให้คนที่เจ็บป่วยบางทีก็ไม่มีอะไรไม่มีอาการทางกายอะไรเลยแต่ทําไมเจ็บป่วยได้เช่นมีหมอคนหนึ่งเขารักษาคนไข้คนไข้ก็อายุไม่เท่าไหร่นะเป็นผู้หญิงอาจะยี่นนสิบตนตนเดียซ้ําเป็นโรคความดันเลือดลังปวดหัวเลือดลังเลือดลังนี่คือหลายคือหลายปีนะเป็นสิบปีแล้วปวดท้อง ไปหาหมอหมอก็ตรวจไม่พบความผิดปกติในร่างกายหมายถึงตัวที่เป็นสาเหตุนะ่ะนะแต่ดูความดันแรงต่างแล้วมันก็ขึ้นอ่ะนะไอ้ส่วนความปวดนี่ก็มั น, มนก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยแหละจะรู้เองหมอไม่มีเครื่องวัดความเจ็บปวดแต่ความดันที่หมอก็รู้ว่ามันคนไข้คนคนี้ไม่ปกติ หมอก็ไม่รู้ว่าเขามีสาเหตุอะไรเพราะว่าตรวจไม่เจอสาเหตุทางร่างกายรักษากันมาเป็นปีให้แต่ยาระงับอาการคนเสร็จแล้ ว, วันหนึ่งหมอก็ฉุกคิดขึ้นมาหมอก็เลยสักถามสักถามคนไข้ว่าในคุณช่วยเล่าประวัติคุณให้หน่อยเขาก็เล่าประวัติของเขาว่าเขาไม่มีแม่กัมพาแม่กัมพาพ่อเดียมั้ง แล้วก็มีพี่สาวดูแลแต่พี่สาวก็ไม่ค่อยดูแลใจใส่เขาเขาก็น้อยเนื้อต่ําใจทั้งโกรธทั้งน้อยใจพี่สาวนะความโกรธเนี่ยมันก็แสดงอาการออกมาแนละ้วเวลาพูดถึงพี่สาวมันก็แสดงให้ให้หมอเห็นหมอก็เลยก็สรุปได้เลยว่าเนี่ยอาการนี่เป็นอาการสาเหตุนี้เป็นมีสาเหตุมาถักจิตใจคือความโกรธหมอก็แนะนําว่าให้เขาให้อภัยพี่สาว หมอไม่ได้ให้ยานะแนะนําไม่ให้อภัยคนไข้ไม่เชื่อนะหมออะไรมาแนะนําอย่างนี้หมอก็อมีแต่จะวินิจฉัยว่าป่วยเพราะอะไรจะรักษาให้ยาอย่างไงนี่มาบอกให้ใหอภัยคนเราเวลาโกรธมันไม่อยากจะให้อภัยใครนะก็ถ้ากินยาได้กินยาดีกว่านะเพราะการให้อภัยถือเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเพราะว่าความโกรธมันมันติดตรึงใจ แล้วเขาก็หายไปเลยไม่มาหาหมอคนนี้อีกจนกรทั่งปีนึงต่อมาหมอคนนี้ก็ได้จดหมายจากคนไข้คนนี้แหละก็บอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วเพราะเขาทำตามที่หมอแนะนำคือให้อภัยพิศสาวะเห็นไหมว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เนี่ยความเครียดก็ดีความโกรธก็ดีรวมทั้งความกังวลด้วยนะอันนี้มันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกาย มันไม่ใช่เพียงแต่ทําให้เกิดทุกขเวทนาทางใจนะอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเวลาเครียดนี่เวลาโกรดนี่จิตใจมันร้อนรุ่มยังไงบ้างแต่ว่ามันก็มีผลตามไปถึงเรื่องของร่างกายเรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะ น, นั้นเรื่องบอกว่าเรื่องสุขภาพกายกับสุขภาพใจที่สําคัญมากมันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งที่เรามาปฏิบัติมาเจริญสติเนี่ยสตินี่สําคัญนะเพราะว่ามันเป็น เป็นธรรมะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะหลุดจากความเครียดความโกรธหรือว่าดุดประทุษสลายตัวเองได้พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าจิตที่ถูกประทุษสลายนะเวลามีความโกรธเวลามีความเครียดกังวลเนี่ยเรวจิตที่ถูกประทุษสลายประถุประทุษสลายด้วยอะไรก็ด้วยอารมณ์เหล่านี้แหละอารมณ์เหล่านี้มันประทุษสลาจิตใจนะมัน ไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์อกุศล น, นะแต่มันประทุสลายจิตใจด้วยแล้วก็ไปประทุสลายร่างกายตามมานะหรือว่าบางทีก็ถึงขั้นที่ทําให้บางคนนี่เขาทํำลายตัวเองเปรีชีวิตตัวเองนะเพราะความเครียดเพราะความโกรวเพราะความนื้อเนื้ อ, อ, อ, อ, อ, อต่ำใจนนจิตอารมณ์พวกนี้มันประทุสลายได้น่ากลัวมากแล้วคนลรำก็หนีไม่พ้นนะโดยเฉพาะพวกเราที่ทํางานในเมืองหรือว่า มีชีวิตในสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้ น, นง่ายปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าปัญหาไม่ไม่ได้อยู่ที่ความเครียดนะจริงๆแล้วเพ่าความเครียดมันเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นแต่อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกความเครียดยังไงเช่นเรารู้ทันความเครียดไหมนะถ้าเรารู้ทันความเครียดเนี่ยมันก็เห็นมัน อ, อ้อยอิงอในใจแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่เห็นความเครียดเนี่ยจิตมันเข้าไปจมหายแล้วก็ถูกความเครียดเนี่ยทำร้ายเอามันไม่ใช่แค่จมหายเข้าไปในความเครียดแต่วันปรุงแต่งนะเช่นเวลาเราเราเครียดเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะอดไม่ได้ที่จะไปขุดเอาเรื่องอื่นมาเครียดเรื่องงานเสร็จแล้วก็ไปขุดเอาเรื่องอื่นมาเช่นเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านนะบางทีก็ไปขุดเอาเรื่องหนี้สินมา มันยืดมันโยงสารพัดเลยก็ทำให้เราเครียดหนักขึ้นแล้วนะทำให้เราสึกว่าชีวิตนี้มันมันแย่มันมันเศร้าหมองมันไม่น่าอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเราก็เห็นมันนะนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความเครียดเกิดขึ้นนะแต่ว่าเราปฏิบัติเพื่อที่เราจะรู้ทันมัน นะเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราก็วางมันไดนะ้ไม่ปล่อยให้มันลากลู่ถูกลางจิตใ จ, จเราหรือไม่ปล่อยให้มันมาปุถุสราจิตใ จ, จของเราาความโกรธก็เช่นเดียวกันนะความโกรธหรือความความเกลียดความกังวลนะเกลียดกลัวโกรธกังวลเนะี่ยไอ้สามก่อสี่ก อ, ก อ, กอนี่นะล้วนแต่ปุทุสราจิตใ จ, จได้หน้ากลัวลทั้งนั้น โกรธเกลียดกลัวกังวลอันนี้คือปัญหาของคนปัจจุบันมากน cool ั้ลำพังแค่เครียดกับกังวลนี่ก็พอก็หนักหนาอยู่แล้วสมัยนี้มันมีเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเข้ามาอีกโดยเฉพาะในช่วงที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้นะมีความขัดแย้งกันทางการเมืองหรือว่ามีความไม่แน่นอนทางการเมืองดูข่าวสารแล้ว ความรู้สึกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นก็ทําให้มีความโกรธมีความเกลียดแล้วก็อาจจะมีความกลัวเข้ามาอีกแล้วคนเราก็แปลกนะเวลาเราเกลียดเรากลัวหรือเราไม่ชอบเรื่องอะไรเนี่ยแทนที่เราจะพยายามห่างออกมันนะพยายามนี้ห่างจากมันนะปรากฏว่ายิ่งเกลียดยิ่งโกรัวยิ่งไม่ชอบเรื่องอะไรเนี่ย ใจมันก็จะเข้าไปไปหมกมุ้นอยู่กับเรื่องนั้นมีแม่ชีทาลายฟังไปประเทศศรีลังกากับคณะคนไทยนะก็มีช่วงส่วนใหญ่ก็จะเดินทางด้วยรถโดยสารรถทัวร์นั่นแหละแล้วก็เป็นธรรมดาของทัวร์คนไทยก็คือว่าระหว่างที่นั่งรถ ก็จะมีการเชิญคนมาพูดคุยแนะนำตัวนะเพื่อทำให้เกิดความรู้จักกันนะส่วนใหญ่ก็มาพูดแนะนำตัวคนละห้านาทีนะอาจอย่างมากก็ไม่เกิน1ินาทีก็ถึงคราวคนคนหนึ่งเนี่ยนะแกก็ทำรีสอร์ทที่ภาคใต้พอแกขึ้นมาแนะนำตัวสักพักแกก็พูดขึ้นมาว่านะผมชอบทัวร์คณะนี้มากเลย นะไม่มีการคุยเรื่องการเมืองอันนี้คือสมัยเมื่อสองปีที่แล้วนะไม่มีการคุยเรื่องการเมืองไม่มีการพูดคุยเรื่องสีเหลืองสีแดงผมอยู่เมืองไทยผมเบื่อมากนะมันมีแต่คนคุยแต่แตเรื่องการเมืองผมมาเบื่อมากเลยเรื่องการเมืองเนี่ยเสร็จแล้วแกก็พามเรื่องการเมืองเรื่องสีเหลืองสีแดงไปอีกครึ่งชั่วโมงนะคือเบื่อแล้วทาไมถึง ถึงไม่ถึงไม่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางยิ่งเบื่อยิ่งพูดยิ่งยิ่งจมลึกจกนกระทั่งคนฟังเขาเบื่อไปเลยนะโอ้โหนี่ขนาดเบื่อเนะี่ยคุยเป็นครึ่งชั่วโมงนะและมีอีกลายหนึ่งอันนี้ก็ใกล้ใกล้เคียงอัตมานะเป็นบ้านญาตพี่สาวน้องสาวพี่สาวนี่ก็เชียร์เสื้อเหลืองน้องสาวก็เชียร์เสื้อแดงนะอันนี้ก็คงเหมือนกับหลายบ้านหลายครอบครัว แต่ดีเขาไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ก็มีวันหนึ่งคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีการชุมนุมของคนเสื้อแดงอยู่ที่หน้าธรรมเนียบ ช, ช, ช่วงสช่วงสงกรา น, นนะนะพี่สาวก็ไปเห็นน้องสาวเนี่ยดูโทรทัศน์รายงานข่าวการชุมนุมเสื้อแดงก็ว่าน้องสาวว่าดูมันไปทําไมไอ้พวกนี้นะแล้วก็ด่าก็ว่าไปสักพักน้องสาวก็ลาคาญนะก็เลยไม่ดูล้นะไปดีกว่า ครึ่งชั่วโมงต่อมาน้องสาวกลับมานะก็มาเห็นพี่สาวเนี่ยดูโทรทัศน์ก็ดูช่องเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ดูข่าวเสื้อแดงแต่ว่าพี่สาวเนี่ยดูไปก็ด่าไปดูไปก็ด่าไปนะคือแสดงว่าแกไม่มีความสุขเลยที่ดูข่าวการชุนบนเสื้อแดงแต่แกไม่ยอมเลิกดูนะยังดูอยู่นั่นแหละทั้งที่ดูแล้วทุกข์ก็ไม่ยอมเลิกนะ กลับบอกให้น้องเนี่ยอย่าดูแต่ตัวนี้ดูนะคือเวลาเราโกรธเราเกลียเรื่องอะไรเนี่ยมันมันจะเผยยึดเผยติดไปโดยไม่รู้ตัวนะแทนที่จะผลักไสนะทั้งที่ความโกรธความเกลียดเนี่ย ม, มันมัฐฐนมีลักษณะของการผลักไสแต่ว่ามันก็มีความมันก็ทําให้เกิดความยึดติดโดยไม่รู้ตัวเราโกรธเราเกลียดใครเราก็จะนึกถึงหน้าคนนั้นเสร็จ แ, แล้วใครทุกข์ก็เราทุกข์เองนะแล้วก็เครียดเนี่ย คนในเมืองเวลานี้เครียดก็เพราะเห็นนี้แหละแล้วเครียดในสิ่งที่ตัวเองเกลียดแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้พ่อไม่มีสตินะคือโกรธได้เกลียดได้นะอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็รู้ว่ายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเราก็ทุกข์นะเราก็วางมันซะนะรู้ว่าเครียดก็วางมันซะนะอันนี้่ะมันถ้าเรามีสตินะอย่างน้อยสัก สักตัวนึงเนี่ยนะมันจะช่วยรักษาใจของเราเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ถูกความโกรธความเกลียดความเครียดเนี่ยประทุสลายย่ายีเอาและถ้าเรามีตัวอื่นด้วยมีธรรมะอย่างอื่นด้วยเช่นมีเมตตากรุณานะหรือว่ามีความมีปัญญาเราก็สามารถที่จะปล่อยวางหรือจัดการกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะเช่นเวลามีอะไรที่ไม่ดีมากระทบกับเรานะีถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ มองให้มันดีไปซะนะใครเขาตำหนิใครเขาด่าว่าเราเออเราก็แทนที่เราจะโกรธนะส่วนใหญ่ก็จะโกรธนั่นะแล้วก็เพราะว่าปล่อยให้ปล่อยให้อารมณ์มันมันขึ้นหน้าหรือปล่อยให้อัตตามาครองใจทำไมมาว่าฉันแกถือดียังไงถึงมาว่าฉันอย่างนี้นะอันนี้เราว่าปล่อยให้อัตตาคลองใจหรือปล่อยให้อารมณ์นำหน้ า, า, มม น, น, น, านะแต่ถ้าเกิดว่าเรา เรามีสติเนี่ยหรือเรามีปัญญาออแทนที่เราจะแทนที่เราจะทุกไปกับออคำพูดเหล่านั้นเราก็มามองว่าเออที่เขาพูดมามีอะไรดีบ้างนะที่เขาพูดมามีแง่คิดอะไรดีบ้างนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเวลาใครมาตำหนิพระองค์หรือตำหนิพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระองค์ก็สอนสอนพระสาวกว่าอย่าไปโกรธเขานะเพราะว่าถ้าโกรธแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า คำของเขาเนี่เป็นสุภาษิตหรือไม่สุภาษิตไหมเพราะว่าคำเขาเนี่ยมันมันเป็นคำพูดที่ดีไม่มีประโยชน์ไหมถ้าเราโกดแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าคำพูดเขาเป็นสุภาษิตหรือเปล่านะเพราะเราคิดแต่จะจ ะ, จะเล่นงานเขาบางทีก็อดไม่ได้ที่จะด่าว่าเขากลักอันนี้ถ้าจากพุทธท่านสอนดีนะท่านบอกว่าหมาเห่าอย่าเห่าต่อไม่เช่นนั้นจะมีหม า, หาจะมีหมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะ หมาเห่าอย่าห่าตอบไม่งั้นจะมีหมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวหมาตัวนั้นคือใครนะก็คือเราไงนั่นเราอย่าไปไปเป็นหมาเสียเองเขาเห่าก็เห่าไปนะแต่เราไม่เห่าตอบอันนี้เพราะเรามีสติถ้าไม่มีสติก็เห่าตอบแล้วเราก็กลายเป็นหมาเสียเองแต่ถ้ามีปัญญาด้วยเราก็เออมาดูว่าที่เขาพูดมาเป็นอย่างไรมีประโยชน์ไหมท่านพระเจ้าใช่ไหมว่าวาจาเป็นสุภาษิตหรือไม่สุภาษิตก็คือมันได้แง่คิดหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเป็นพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามามาทำกันเนี่ยในช่วง 3-4 สี่วันแล้วก็จะทำต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทั้งการบริหารจิตแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพกายด้วยและขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็ได้พูดว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราแม้แต่ในเรื่องการรักษาสุขภาพกาย ด้วยวิธีการที่ไม่ใช่เรื่องของจิตใจโดยตรงอย่างเช่นกลุ่มที่เข้ามาม า, มาฝึกเรื่องของอการดูแลสุขภาพกายตามสูตรของหมอเขียวเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยธรรมะอาศัยจิตใจเข้ามาประกอบนะโดยเฉพาะการดูแลหรือเยียวยาสุขภาพ เยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ต้องอาศัยนะการบริหารกายนะการกินอาหารที่ถูกต้องการออกกำลังกายซึ่งดูเหมือนว่าไม่ไ ม, ไม่เกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยตรงนะแต่ว่ามันต้องอาศัยจิตใจมากเลยความอดทนความเพียร น, นี่ก็เป็นเรื่องจิตใจสติก็เหมือนกันนะเพราะว่ า, าถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีวินยัย ที่จ ะ, ะปฏิบัติรักษาตัวไม่ว่าเรื่องการกินหรือการออกกําลังกายเดี๋ยวเพราะเรื่องการกินเนี่ยนะส่วนใหญ่การรักษาการเยียวยาร่างกายด้วยอาหารเนี่ยคนไทยนี่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยเราเราติดในเรื่องรสชาติมากคนไทยนี่เรา เป็นชาติที่เรียกว่าอาหารนี่อร่อยที่สุดอันดับต้นๆของโลกนะอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียคือว่าพอเรากินอาหารที่ไม่อร่อยนี่เราจะทนไม่ค่อยได้เลยคนไทยนี่เวลาไปต่างประเทศนี่จะมีปัญหามากก็คือไม่ชอบอาหารอาหารท้องถิ่นเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่เหมือนฝรั่งนี่ฝรั่งเข้ามาเนี่ยโอ้เขามากินอาหารไทยนี่เขาชอบมากแต่ไทยเรานี่ถ้าไปกินถ้าไปประเทศอื่นเราจะไม่ค่อยอยากจะแตะอาหารท้องถิ่นเลยเพราะว่า เราเคยตัวเงี้ยเรากินแต่อาหารที่อร่อยเน้นพอมากินอาหารอย่างตามสูตรหมอเขียวเนี้ยก็จะหรืออาหารแบบชีวจิต ก, ก็ตามเนี่ยก็จะไม่ชอบแล้วก็จะสู้ไม่ไหวแล้วก็จะเลิกนะเพราะว่าขาดความเพียรขาดความอดทนแล้วก็ถ้าผู้อย่างนึงคือว่าเราไปเอาความถูกใจมากับความถูกต้องการกินอาหารที่จะเสริมสร้างสุขภาพนี้ก็ต้องอาศัยความถูกต้องนะ ถ้าเราเป็นเน้เรื่องความถูกใจเราก็จะกินแต่อาหารที่มีรสชาติจัดจ้านนะหรือช่วงนี้กําลังมีเทศกาลกินเจเนี่ยนะก็มีหลายคนก็หันมากินเจกันมากขึ้นแต่ก็ยังอดที่จะเอาความถูกใจเป็นหลักไม่ได้แต่ในที่การกินเจนี้เราเน้นเรื่องความถูกต้องก็คือว่าเออมาเป็นการไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ไม่ควรจะยึดติดในรสชาติเพราะว่าถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะเป็นการถือศีล เป็นการบำเพ็ญข้อวัดแบบหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เรากินเจเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นที่ติดเรื่องรสชาตินะรวมทั้งรูปรัปกษณ์ของมันด้วยเช่นต้องทําอาหารให้เหมือนเนื้อแล้วก็ต้องมีรสชาติที่อร่อยนะซึ่งพอพออร่อยก็ต้องปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วก็มันกลับกับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพแต่อาจจะดีในแง่ว่าไม่ปไมเปเบียดเบียนสัตว์นะแต่ว่าเรื่องของการฝึกให้ คือจักปล่อยวางลดละกินเลสมีชีวิตแบบเรียบง่ายนี่ด้วยการกินเจมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเราไปติดเรื่องรสชาติก็ไปเอาความถูกใจมาเอาความถูกต้องนะอันนี้ถ้าเราถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยจิตใจก็จะหันมาสู่ความถูกต้องมากขึ้นความถูกใจก็จะมีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเดี๋ยวเพราะถ้าเราเจริญสตินะเจริญสติเนี่ยมันช่วยทําให้จิตใจเราเนี่ยหันมาสู่ความถูกต้องมาเอาความถูกใจ กินอาหารก็จะไม่ได้กินเพื่อความรอร่อยนะสติก็ดูไปนะดูทุกดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับอาหารที่กินนะแล้ว น, นี้ก็ต่อไปเราก็จะได้ฝึกสติกับอาหารนะเพราะว่าทางทางแม่ครัวนี่เขาก็เขาก็อยากจะเชิญชวนให้พวกเราได้ลองกินอาหารตามสูตรหมอเขียวบ้างนะเพื่อสุขภาพกายนะก็ถือว่าเป็นการฝึกฝึกใจไปในตัวด้วยนะ ว่าเออเราจะกินโดยมุ่งคุณค่าแท้ได้ไหมนะคุณค่าแท้คือคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่เอาความเมดอร่อยนะอันนี้ก็ก็จะได้มีโอกาสได้ฝึกกันนะแล้วก็ดูซึ่ว่าเออเราจะได้เห็นใจของตัวเราเองบ้างไหมนะในช่วง 2-3 สาวัน4ีหวันนี้นะว่าเราจะเราจะอาศัยสติเนี่ยนำพา ให้เราเนี่ยมุ่งสู่ความถูกต้องมอาความถูกใจแม้แต่เรื่องรสชาติของอาหารเนี่ยเราก็เอาประโยชน์หรือคุณค่าแท้เป็นหลักไม่ไดเอาความไม่ได้เอารสชาติหรือเอาความชอบใจความถูกใจนะเป็นตัวตั้งแล้วก็ลองพิจารณาดูวันนี้ก็พูดกันเท่านี้น ะ, ะกบมกัน